คือการไปไม่ไปนี้ความจริงมันก็ได้ทั้งสองเนี่ยคือเราไปเราก็ได้ไประโยชน์ไม่ไปเราก็ได้ถ้าเราเข้าใจว่าว่าเราไม่ไปเพราะอะไรหรือหรอเราสามารถไม่ไปได้เพราะว่าเราสามารถบูชาทั้งได้ที่นี่เราไม่ต้องไปที่หน้าหน้าศพของท่าน ก, ก็เราก็บูชาท่านได้เหมือนกัน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 อยู่ภายใต้อำนาจของความทุกมาเป็นเวลาอันยาวนานนับไม่ถ้วนจะมีโอกาสได้หยุดพ้นจากความทุกขแต่ละครั้งก็เมื่อได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาเจอพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ยินได้ฟังได้พบแล้วถ้าไม่นําเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็เป็นการเสียเวลาหรือเสียชาติเกิด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 ธรรมะที่เห็นก็ก็จะเป็นธรรมที่จะทำให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เองเดีนี้เราก็ได้เป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าคือใจของเรานี้ได้ยังเข้าสู่กระแสของพระอรานได้รู้แล้วว่าความหลงที่ทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดนี้เราได้ได้ตัด ให้เบาบางลงไปแล้วคือเราได้ละตัคายติฐิการที่เห็นว่าร่างกายและขันหานี้เป็นตัวเราของเราตรงนี้เราได้พิจารณาเห็นแล้วว่ามันเป็นเพียงวิญญาลงไปมันเป็นอนิจจงทุกข์อนัตตาคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดักไปนี่ก็จะรู้อยู่ตรงนี้ถ้ามาเปิดหนงสือจะเปิดตาราอาร่านดย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 ทำนี้ไปเรื่อยๆต่อไปการมรราคะก็จะหมดไปจากใจคำนั้นก็เรียกว่าเป็นขั้นของพระอนาคามีขั้นพระสกิริยาคาริกับขั้นพระอนาคามีนี้เป็นขั้นที่เกี่ยวเนื่องกันเด็กเจริญมากในตัวเดียวกันก็คืออัศวะกรรมฐานพิจารณาอสุภะพิจารณาปฏิูปุาไม่สวยไม่งามส่วนใหญ่นี่จะ จะเป็นพวกนักปฏิบัติถือศีลแปดหรือนักบวยกันมากกว่าคารวาผู้คลองเงินนะคารวาผู้คลองเือนนี่ยังไม่มีปัจติปัญญากำลังมากพอที่จะเจริญอสุภะกรรมฐานได้เพราะอานาจของกามราคานี่ยังมีกำลังมากกว่าแม้จะเป็นพระโสดาบันถ้าถ้าไม่สนใจก็ยังจะติดอยู่กับ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 เวลาที่เกิดทางอย่างแล้วไม่ได้เสกมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้ามถ้าเห็นอย่างนั้นแล้กกว ก, รราาก็จะเริ่มเกิดความเดือหน่อยในกลรงวาระคาะก็จะเริ่มเจริญอสุภกรรมเมื่อเจริญไปแล้วก็จะค่อยทำให้การวาระคะนี้เบาบางไปแล้วก็จะทำให้ปฏิฆะคือความหงุดหงิตนองคานใจนี้เบาบางตา ม, มไปด้วยเพราะทั้งสอง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 เป็นการสอนจุดเริ่มต้นของการการเจริญอสุภะนี่เองว่าเมื่อบวดยาวให้พิจารณาให้มากอาการสามสิบสองเริ่มต้นด้วยกรรมาฐานห้าคือเริ่มต้นที่ผมขนและฟันหนังเนื้อมงกระดูกหนังเนื้อถึ ง, ถ, งถึงผมขนและฟันหนังแล้วต่อไปก็ให้พิจารณาข้อแปดใต้ถุงหนังมีเนื้อมีแอนมีกระดูก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 พิจารณาต่างเข้าไปแล้วก็ปฏิโลมก็ถอนถอยออกมาไปทั้งนุโง่โลมปฏิโลมพิจารณากลับไปกลับมาจนทั่งมีอยู่ในใจตลอดเวลาเรามีกรรมฐานมีอสุภกรรมฐานที่อยู่ในใจตลอดเวลาความรู้สึกความค่า ย, ยุ่งยราคะตัณหานี้ก็จะไม่มีกำลังที่จะสามารถ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 จะเลยมากต่อไปโดยที่ไม่ต้องมีใครสอนมันจะรู้ของมันเองว่าปัญหาในใจนมั น, ม, น, ม, น ม, มีอะไรเป็นปัญหามันจะรู้ว่าเป็นความอยากความอยากต่างๆทำให้ใจกระสับกระสายกาะวนกาะวายวุ่นวายกังวลวิตกทารานเนี่ยมันอยู่ในใจทั้งสิ้นแต่ไม่ไปไปแก้ปัญหาภายนอก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 บุคคลที่เรารู้จักนั้นเขาไม่ได้เสียการกับยินน้ามลนไปบุคคลที่เรารู้จักเขาก็ยังอยู่หองเขาตามสถานาภาพของบุญของบากที่เขาทำอยู่ถ้าจิตเขาถึงขั้นพระนิพพานเขาก็อยู่ที่พระนิพพานถ้าเขาอยู่ขัางพระอนาคามนเขาก็อยู่ขัานนั้นเขาก็อยู่ตามสถานาภาพของขอ ง, ของบุญกุศลที่เขาได้ทำอะไร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 อยู่กับหรงตาท่้นก็พูดอยู่เรื่อยๆูบาอาจารย์ท่านก็ร่วงโรยไปเรื่รอยๆเียเราองสององังเกตุทำมนั่นก็ตามที่อยู่ตนั้นลงปูกขาวก็ยังอยู่หปูเทพยังอยู่หลงปูกข้านก็ยังอยู่เขาเอางเสียเอางเสียทั้งเราหานกรลาวเนี่ยก็นะเป็นอือต้นไม้ลายไม้มันก็ค่อยๆร่วงร่วงไปเรื่อยๆร่วงไปเรื่อยๆเราไม่ควรที่จะประหม่นอนงใจ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 ที่อยู่กับท่านไปแล้วอาจจะสึกไปก็ได้ไม่แน่มีภาพบงรูปที่อยู่กับครูบาจารย์แน่ดิพอท่านมาหน้าภาพไปแล้วก็ลาสิกขาไปกันีเวลาอยู่ก็อยู่ใกล้ชิดกับท่านเป็นเลขาเป็นพระ อ, อุปถาแต่ท่านไม่ได้ปฏิบัติท่านรแต่คือปฏิบัติก็ปฏิบัติทำขั้นต่ำคือไม่ได้ภาวนาได้แต่ปฏิบัติ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 ต้องถูกปากถูกคอก็อมีกิเลสก็เลยดับยังไงก็ไม่ต้องกินนั่นแหละผมเรียวกวไปได้หลอกไปเไม่ได้กินแบบน <Yeah. S 1> การมีตามเกิดได้มีอะไรก็กินด้วยด้อาหารมาก็เทมันรวนไปในชามใบเดียวกันแล้วคนมันเลยทุกมันอะไรของค้าวของหวานอะไรถ้าจะกินเพื่อตับความโลภตัดกิเลสก็ต้องกินอยแบบนี้หาชามใบชามใบใหญ่ๆมาสักใบ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 ของหลวงู้่ทานจะเที่ยวในเดือนธันวาใช่ไหมสิบสองธันวาสิบห้าสิบห้าสห้า่นวสิบห้าสิบสองธันวาเห่นร่งถึงททุนเยวะสิบสองนะเผมได้ยินบาสิบ้านะเนี่ยเดี๋ยวมอรืนนี้ผมก็ขึ้นไปขึ้นไปท่านพี่ว่าสิบค่ับ่าข้อางคือหลวงพโตอีหลวงพโตอี๋นจะลงมาจากด่านวิเวก วันที่ที่เก้าครับวมันจะแล้วประคืนเนียสิบสองก็จะขึ้นไปที่ก้ประกาศที่ว่าสิบสองะคุณชายค่ะที่วดผิดที่ผมได้ยินผิดก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นไปเมื่อนที่ผมจะได้ทราบเรื่องยังไงแล้วก็โทเรียนให้ทราบอุ้ยี่ต้องรู้ค่หัวหน้ากระจยเสียง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 มันไม่ใช่เป็นของยากเองอะไรหรือทีม่มีมีมีพูดว่าทรงแปล่งอะไรแล้วะเนี่ยทรงแปล่งพรวาจาเลยะวะนั่เป็นโลกเราจะมาพที่เป็นพระวาจอ่นั่นะอมันอยู่ในจิตของท่านนี่ท่านก็เพียงแต่าสายร่างกายนี่เป็นเครื่องมือเท่านั้นเองตอนนั้นร่างกายของท่านยังไม่ได้รับการพัฒนาให้ให้แขง็งแรงเต็มที่ก็ทําได้เท่า น, นั้นเอง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 เราไม่เห็นใจเราไม่รู้ว่าใจของเราเป็นอย่างไรเรารู้แต่ร่างกายและเรายัางหลงติดอยู่กับร่างกายคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราแต่เวลาภาวนานี่เวลาจิตสงบนี้มันจะแยกออกจากกาันจิตจะปล่อยวางร่างกายร่างกายนี้จะหายไปจากความรู้สึกอยกจะรู้ไว้ทำไมนี่มีแต่จิตอน่างเดียวทำไมไม่มีร่างกายอยู่ในขณะนี้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 ถึงแม้จะได้ยินจากคนที่เข้าไปไปมาแล้วก็ตามตเรามักจะวาดภาพไปอีกทางตามตามตามกิเลสของเราต้องไปเห็นด้วยตายของตอนเองการที่จะเห็นธรรมของพระพุะเจ้าได้ก็ต้องอยู่ที่การภาวนานีรสมะฐานภาวนานแล้วิปัสสนาภาวนาโดยมีทานมีศีลเป็นเครื่องสนับสนุนเพราะถ้าไม่ทําทางไม่รักษาศีลจะภาวนานไม่ได้ ใจจะติดอยู่กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองจะวี่นวายกับการหาหาความสุขทางตาหอจมูงลิ้นกายแล้วก็อาจจะต้องทำบาปทำกรรมจะทำให้จิตใจมีความความฟุ้งซ่านความกวะกวาดกระสับกระส่ายมากเวลานั่งสมาธิก็จะนั่งไม่ได้เพราะไม่มีความสงบ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 เกิดจะอาการจะเจ็บจะปวดหรือไม่จะไม่มาก็จะไม่มาร่าควรความสงบตอนนั้นจิตจะไม่ไม่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวด้วยจิตจะอยู่ในความสุบตามเมืองธรรมอันนั้นจะมีแต่ความสุบมีแต่ความเบาอกบาใจความสบายใจนี่เรียกว่าเป็นสมาธิหรือบางทีร่างกายอายไปเลยก็ได้วุบลงไปแล้วก็นิ่งเหมือนลอยอยู่ในอากาศ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 ถ้าทำไม่ได้ก็โกรธเสียใจไปมีปัญหากับคนอยู่นนะมีเรื่องเวลากับคนอนที่เด่นมันจะพาให้เราไปสูความความยุ่งนวายใจสู่ปัญหาต่างๆถ้ามีปัญญาลุทธันก็ตัดตัดตัดตัดเอาเท่าที่จําเป็นแล้วก็เอามาด้วยด้วยด้วยวิธีที่ถูกต้องไม่ไปเบียดเบียนทุก่นไม้จะมีปัญหา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 มันทรงเปรียบเหมือนกับรอยเท้าช้างเสามารครอบรอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดได้หมดไม่มีสติก็ไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเกิดไม่ได้สตินี้เป็นเป็ น, ป น, ป น, ปนดีรามดาของสมาธิของปัญญาของวิมุตฉิตของการมีทอนสติจึงเป็นเป็นปนระสูตที่สําคัญมากในประเทศศรีรังกลานี่เขาเขาถือ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 วันนี้มี่นีดีทันไหมั้นก็ไปแจกจสายกันไปมัมี <c oughs> น้ืนเอเใหม่มาจากชุดเก่ า, าท่านไปแจกเรื่องทำนัองซือก็ขอหยุดไปก่อนนะเห น, <c oughs> นื่ยละเริ่มทำชุดใหม่รับ ว <11. S 2> ิ่ง21นะวันนีเพศที่วันนี้ก็จคงจะไม่ได้ทแนะขอหยุดไปก่อนครับแต่จะทาแผงทีดีต่อไปก็เอาไปฟังได้หมนนฟังเร่เหมือนกัน ถ้าใครไม่ได้เดี๋ยวไปเอาที่ปกติได้นะเดี๋ยวยีที่ปกิยังแขอยู่แต่ั้งใจจนอดงนกลังใจเลยคต่อไป็นูก็ดูก็ดูก็ดูก็ดนก็ดูก็ดูง็ดูก็ดมกนดูก็ดูก็ดูก็ดูก็อนก็ดูก็ดูก็ดูก็ดูกีู่ก็ดูก็ดูก็ดูก็ดูก็ดูก็ดูก็ดูก็ดูก็ดูี่ดูก็ดูก็ดูกก็ดูดก็ดกก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 มันไม่เหมือน่าก่อ น, นี้มันมีนอัญ t วิริยะเห็นแล้วก็ความมับขึ้นมาทำางไงต้นนี่เห็นแล้วไมวไม่เอามันคงเห็นว่ามันก็มีมากพอแล้วแล้วมันก็ข้อพูดหมดทุกถ้าทุกประเด็นแล้วแหละพูดกันก็เป็นประเด็นซ้ำๆกัน ก็ไมครัก็ไม่ไดับก็ไก็่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 ถ้ามีมากก็จะภาวนาดีถ้ามีน้อยก็เป็นเดิมมีเหมือนกันแต่นิดเดียว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 เป็นปัญหาในการภารนาพอดีจะออกจากสมาธิภาวนาแล้วเนี่ยเรียนตายแล้วพย า, ายามอดมนไปแล้วแต่ร่างกายไม่ยอมไม่ยอมขยับคือร่างกายยังไม่อนเหือนอยากตอย่างนี้ <c oughs> ไม่เงียบไปจะแก้ปัญหาอย่างไรก็ได้ก็กับต่อไปก็ได้นั่งต่อไปนั่งทั้งคืนเลยก็ได้บางท่านท่านเอาตากชั่วโมงไปเลยไม่รู้เลยก็ได้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 อาจารย์จะไปร่วมประกานค้างเมื่อไหร่ครับมาเดือนนี้ครับผมณในครั้างคืนครับไปพอดี กราบข่าวว่าท่านอาจารย์ทุยท่านจะลงครับลงเหมือนยี่เก้าแล้วก็ท่านจะไปค้างคืนหนึ่งในหมู่พวกลูกศิษย์เขาก็ชวนผมผมก็เลยเอาไปตอนที่แรก่าเอาไปแล้วเราจะไปเขาไปค้างคืนเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนถ้าหลงตา้าหลงตาลงเขาใหญ่ผมก็ไม่ไปทางนั้นก็ยังสบายดีอยู่นะ ก่อนมีหมอที่โรงพยาบาลสิริกิติ์ก็มอกเขาก็ไปดูแผลข อ, อลน้องานเยอะหมอที่ไปไหมรวจที่ว่าตน อ, อ, อัอนนี้ทำมาตป็านกองวงการที่โรงพยาบาลศิริกิตติ์เด็กมันดูท่านอาจารย์ได้ไหมปะ่ะมอยดูเราไม่ได้เป็นอะไร <laughs> <laughs> ไม่มีอะไรก็ให้พอนะ